เขอกการทร่าวพมขเขทสมนชกเือ่เงือลึกได้กได้ก็ดีอาิตานไว้ยงสั่งั่งสัดไว้ยังสั่เลือลึกได้กได้ราตั้งัดอาิษยานไวยเป็นขาเป็นถ้าเขาเขาทำผมในชกเือขอขมาโทษต่อพมุขเสมชกเือ่เขาเอาเป็นเพื่อเงือ่กมือก็มีความสามารถจับกะสอข้าก้นตนส่วนจากรูใวัการสงสารในชกเืออกวมีประมามาขเขยอน่อเือลึกได้กได้ก็ดี ไม่ว่าจะไปเลีนนักพยาเลนี่ยไม่ใช่รายอยากเรีนเลขไม่ใช่รายอยากไปซื้อศาสตร์สราอื่นนอกจาก พ, กพรกรทั่ประสงค์ไม่ใช่รายอยากซีออยงยงคกพันไม่ใช่อยากล่วงละเมิดสินท่าไ่ใช่ยอยากล่วงอเมิดอาบายมุกนั่นมันหน่อถ้ำอ่ะนพระันไดทรัย์สิสนเจ็บบพ น, นั เป็นมนุษย์สมบัติแน่ตัวเป็นสวรรค์สมบัติแน่ตัวเป็นพสมบัติแน่ตัวเป็นเมฆผ่านสมบัติแตัวเนี่ยการคิดใจเป็นนื้อันกคิดใจมัเป็นเนื้อสันมันต้เป็นโลกผีอยู่ระวังหงาโรคผี่ก็รทัว่าลุตระหรือว่าเราระวังหงามันคือว่ามันสะไปเป็นเพจเป็นผีเพราะว่าเสียดายรองละเมิดอันชรามนังไมนได้ดวงตาเห็นถ้ำแล้วเห็นอ่าค้ามศนได้ๆคํามศรโพธเจ้าข้ามบ่มีมันล่งแล้วมันมาสงสัยคํามศรโพธเจ้า มาขับสอนอื่นสินส่งอะไปคําสอนพคติเจ้ามันนี่ทั้งมโนสมบัติสมบัติทุ่มสมบัติไม่านสมบัติอย่างพูดมาแล้วมันหมดเ่องสั่มันได้แกบใจก็สั่งนี่เนี่ยความันบกขบวขึ้นนั่นแหละถึงบาคนมาทามาสองแบบบกขบวขึ้นขากายเชียะหารขากายมนุษย์ขากายรับเต็นเนี่ยซัดเชืตัวขาเชือกตัวขาเพื่อเป็นอาหารขากายน้ำมอขากายาพิษการขากายอันนี้ผมไม่ใช่รายอยากทลองละเมิดหนึ่ง พุพ่ ie, Stone, perder, มพระทวเอาแล่วนะมันแรายากซื Jordan, ้อยูย kind of ่อมข่กับพค่ายอยากซื้อระดีย่ำระดีย่ำแม้แตดีมันจะเท่าเฮ็ดดีย่ำมตตัววันเท่าเฮ็ดตัวแต่ย่ำมันัึงพอมารับดีและตัวน้าเทามันเท่าดีจะเป็นผู้รับเฮ็ดดีกับเท่าเป็นผู้รับเฮ็ดตัวกับน้เาผู้รับหมื่นยมั่ถรับนําเทามีแต่มื่อแจบ้านี่คือกองสั่งใเห็นในสั่งใครั่งอมีสีเฟิงอันกระเสียมเมไดในเลนถ้าในมัดเบอร์บู้หลั ตายแล้วมันเื่องทีก็ผ่า น, น, นผ่าละมันมด น, นมดอะก็ร้อนตอนนี้แะมันจะในสั่นเนี้ยมันร้อนในสั่นเนี้ยทั้งอุดรลูกหลานเัาร้อนแก่กแสรกเดือนมือ้อผู้ร้อนผู้บวรร้อนกับนั่งรัวเจ้าท่านผู้เจ้ามาท่านกับร้อนแก่กแทรกนันงแ <laughs> แก่กแทรกหายหน้ามัดเกร็ดผู้ผู้ยุดิประทัน ไฟมเฮืรนไมสร้างมันโดนไมสีดิบไฟไม้เลกไ้ฟ้ามันไหมดสีดิบมย <court. S 1> ่ง nei, ส bad, like. ่สอยสตาก eh. ไว้ไวม้ยัดกองแขกองขาม่อโปตนาฝันใะไแหมวัดพราเม่อยากทะเลาะกันน ha! ่เอามาเผาะลมันก็ไปนัเจ้ามันก <textbook S 2> ็ไปนัเจ้าเกันเลยเาะกันโดดลูกทั้งรักแตกกันนีเพราะเราเกีวด็กนเุดม นักสร้างมันสวยแต่มันสวยไม่ไหม้มันขายกิจกรรมมาแล้วแก่พระท่านนี่แหละนักสร้างมัสวยอะไรสหแก่หม่เฮาเอาไปแก่พระจะแก่ให้เฮาเอาเส้าพขาจะเส่าให้เฮาบอกว่าอยากชนะเล็กแต่ไม่สบายเล็กเล่นนั่นคือแคล้วขางพดีไม่ต้องึกอแคล้ว่านอยากชนะสัวคานี้ได้ทําดีท่านคำว่าอะากได้ดีกับทับสัว มันกบสนะดีนอนเดี๋ยว ย, ยังว่าสนะความมันกัาเอาความขันกบเอาความมันมาส น, าสนาะกันต่เดี๋ย و. อันนด้ว่าสนะรับตาก็เอาเมื่อนตาจะสนะก็มีพวกเจ้าวห่อซางเกินซางเกนได้จะไปโทษดินเพราะอากาศวัวแม่แนวแดีปีใหม่แต่ไส้สะตายกับปีตายนี่แหละแยดีปีใหม่อยากไฟก็ต้องร่างตอนพาไป จงใจเสถียรทางทำดีจงเป็นผู้ใจเสถียรทางทำชั่วจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีจงเป in e an ็นผู yup ้มีอิสระทางทำชั่วถือถือกิจจงเป็นสิทธิมีอิสระและมีสิตธในทางทำดีจงเป็นผู้มีจิตในทางทำชั่วจงเป็นเจ้าพ่อจ้าแม่ในทางทำดีจงเป็นเจ้าพ่อจ้าแม่ในทางทำชั่วถือถือกิจกรรมบอกเจ้าเมียนเถิดกิจกรรม แันวจะไปซ้นดีกว่าเกินซ้อนแล้วซ้มัดะวรนซ้อมบัดทุ่มซ้มวัดเจ็ดพุ่มนะพุทเจ้าดูนั่งสีตเลยหรอกต้องสารลูกพ่อร่ายี่กษตรยเห็นท่วนเมื่อวันว็เทียงขณะหนึ่งก็เห็นโลกอีกหนึ่งโลกเต็มไปด้วยชั่วเมื่อวันว่ดเทียงเต็มไปด้วยสกปุกเข้าเสว่าหลงวันทีอห่ังเงาเข็ดหลามกอนเช็ดน่าเ้าเข็ดหลามพุทธศาสนา แค่หลับมันมาเกิดแกเจ็บตาย่านห่อยขอใายท่านร้ายขอให้เห็นไค้นมาเกกเจ็บตายนักวัตรต้องสารเลยวางหายใจเขาออกนตอายของก้อนใจไว้หลวงปู่ต่อไว้สองวิหน้าที่สร่าเรื่องสองหลวงปู่นี่วิหน้าที่เดียวเนื้อนน้าจิตอดีตนักฆ่าคนกินเข้ากับต่อซีดแต่หมืองนี้ก็ขึ้นหนึ่งหายใจเด็กกับต่อซีดแวิหน้าที่หนึ่งสองวิหน้าที่ นึกคิดเยอะก่นึกั่นเยะนึกนี่แต่ต่อที่ของอายุวัยของยึดใจไว้ความตึกเต็มเชียงสันตอนของโลกแต่ก็มีทุกสั้นก็ยุดอยู่นึกถึงว่าแหล่ะหายไปนึกถึงว่าแหล่ะทลวงไปนึกถึงว่าแหล่ะทลวงไปเสียก็ตีตะปูยินเต้นเต้ะลวงไปลวงไปนี่อันนี้จังเลยมันกระได้ไรนะล้วนอันนี้จังใบไม้ร่นเป็นปอกงม้วตัวเห็นว่าอันนี้จังเอันเดียวก็ม้วน มบบุ่งห้องเนี่ยเไรกับร่นกัตายขนาดน่ะที่เขาบอกไว้นักเก็ตจะส้นสวยไหมปวดปวดกองเองอยู่ตรง่ดจะกันเพล็ด้นยกินข้าวปากับชายออกก้นแฉีบเฉบมันมนเ่ยขนมร้ายไปติดกันเพศ็ดที่สั่งทายออก ก, ก้นททอ่ะขนมร้ายอะไรได้นั้นก้นข้ามปานตัวหลักก้ น, นมาเกาะยันเลยนั่แบบนแหะเนี่ยเฉียเฉียบก็ ขแข่งคะแนนกันด like you know ้วยม no ือเดียวแม่บอกโอ้ยแสบบดิ้กูกินน้าแดงซื้อมาสั่นมือเล้าว่าแล่นบางยัยบางยัยของห้องน้าแม่บอกเยูังไงนี่ยกนน้ำดอกว่าเสียอบอกสวนะกูมากทำไมกูกีนักปูได้หอมบอกนั่นน่เนี่ยแซ่บแม่บอกกินเต็มสองอยู่มูหถ้าชาย่อง ข้าวบบว่าในมี้คนหน่อยขัไปล่างทั้งนั้นเลทายออกคือหันปากข้าสูกันติตายตานนั้นยังถึกยิ้มยื้อน้ำแขวงะ้ น, นีลยไอ้ชงดังข้ามวมันี่คืุกอยีตายีหูออกมาจากอาหารที่ข้ากินไปทั้งนั้นลอกหลังออกงูน้องตางสือะไม่ซู้ซู้ง่างนยาก มืห้าหลงเนี่ยนี่หลงเนี่ซือแนวเนี่ยหลงของบะเทียงว่าเป็นของเทียงเพื่หนังหงอยู่โดยรอบหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุกข์เพื่อนังหงอยู่โดยรอบหลงของว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเป็นตนเพื่อนังหงอยู่โดยรอบหลงของว่สวยว่ง้าวว่าของสวยของงามเพื่อนังหงอยู่โดยรอบคันมูอห้าวว่า้องซีขอเนี่ยมือห้าวเขาเป็นพระาเนี่ยคันยังง้องซีขอเนี่ยย่างมัเป็นพระราห นัง่งโมเปียนพระรหันตาเปลี่ยนเป็นพระรหัน .swing หรือพระพราหันขัดกัน่กัึ้งึ้ ก, ก็มีปัญญาได้หรือเปล่านางได้ถือบักบักผู้เบาบกักแอบซิ่ๆเองกว่าววานเปล่าไมหลังลรงๆเปล่ผู้เบาขีเก็บช่องผู้บบาขี้กับช่องเขาว่าแกล้พราเห็นหนามันบว่าผู้เบาสี้กับช่องผูงก็ขีเก็บช่องเฮ้กันกง่วจิตจินบ่สังเกตยัง ไอ้จิตผัสผู้เบาผู้ไรนอนก็บรรลุเกิกหลุมหลุมเนี่ยบอกบักชีจะท่องว่าสั่นเสียงวายมันงานลำกลืนกันผู้บัคชีจะท่องเมื่อไงบัีจะท่องมันเป็นว่าบอกว่าสั่นเสียงม่เอาใจสั่นใมันมัเอาหยาหยาบว่ได้มันบามักทุกฝายเลยกิเลมันมามหยิยาบเด้ยงไม่สนั่นความลงดินนั่นกุีวิหารนั่นเ็ดดีก้ามกระดร้างออกไปจากผาดดินผาดน้ำผาดไฟผาดลม ข้ากับข้างลงดินหนา้าแฝงร่มมาะออแลกดแล้ว ก, ก, รรกาลายห้าองม็ดาตดินนา้าแฝงรมแตกไปกเป็นดินนา้าแฝงร่มขึ้นในส่วนรูกส่วนน้ากับแตกไปเป็นน้าสามเด่นหน้าว่างแต่ว่าซยว่างเมฆข้างหน้นาัญ า, า, ากันขาดเรียนยางเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปคพูดจะระ บ, บาพูดรื่ยมันจะวงไปลงไปลงไปจำเอาเ้านี่พูดมากเนี่ยพ่อแ้งแหละยักอก็ไปแทแกับสาไวไปใสใสใสสนึกคิดว่าจะน่อยเท่าไงยักษวดอไปไส ร่วงไปร่องไฟร่องไฟเชือพยับแดดปัดแดดก็ล่องไนับธนวาอนิจังเป็นติ๊บจังติ๊บจังกันพืชไฟให้กันอ่ะเขาเปิดสวิตมันเพราะปันดเอกลับมาพูดและครอบเกิดความดับได้ในโลกว่นอานิจังได้ในลกว่นทุกขังไดในรลว่นอนิจตาร์แล้วต้องใช้ไดนาั้งอริสั่งนาก็สร้างปัจจุบันนั่นเองจงที่งานตามปินจิงซัก ต้องปฏิบัติตามเป็นจริงสักต้องลดท้นจากความหลงตามเป็นจริงสักจําได้ไม่มาหลงอีกขอพระคุณเจ้าถ้าความหลงของพวกเธอทั้งหลายบรรพน์ลงทุกใจก็บรรพนลงเหมือนกันหลงของว่าไม่เที่ยงหลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่จิตกับร่างกายหลงของแ่งสวยในงามว่าเป็นของสวยของงามที่จิตกัอร่างกายหลงของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตันก็คือจิตกับร่างกายถ้าไมาหลงสิ่งเหล่านี้แล้ว สิ่งอื่นๆก็ไปหลงถ้าหลงสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งอื่นก็ไปหลงหมดพระพุทธเจ้าเราเคยได้หลงมาแล้วได้แก้แล้วถึงได้มาสอนกเ์เคยทั้งหลายพระพุทธเจ้าพกเคอทั้งหลายจะทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหลงหนังหลอกล้างออก me. mejorar, others, heaven, by, well. แล้วหายซีกับพะเอาเนี่ยนะหลอกคือฟัวปุ๊บหลอกปุ๊บลอกง้อผมนี่ยอดกรรมฐานจะอะ ยอด่าตยอดเสียงยอดภาะวานาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักทาลายทิศของหนึ่ในด้านในด่านพรวานาในด้านราขาจริตในด้านทสายจริตกับแพรเมฆตาสั้นสนพืนในด้านควมหลงกับพิอันนี้จังทุกังอกาศามอบอันวเทียงจะไปสือของมันของเสียงจะไปงว่ามันเกิดชุบตัเสียในโลกนี้นิสสุก็ตายสักทาลายแลหาความชุบ ม, มันมาเจอมาเจอมพบมาป่า รหารเห็นเขาสุกเต็มภูมิไม่หมดบ่ามากเกิดแจเกิดตายโม่เฮาเห็นสุกเข้มสุกฟอมโม่เฮาแต่วันค่อยค่อยตายยิ่งล้ำคาบอกมอยค่อยตายแฉอี๋บ่กค่อยมันเกิดตายเมื่อนี้ใกล้จตายก็เหมือนกันเนี่ยใช้สื่อกันวัดย้กเขาย้กเขาใกล้จตายกองมากไช้ยึดกันย้๊กเขาย้๊เขาว่าถอนออกได้หว่าถอยออกได้ มัดรานแค่นี้นก็ตายผมบอกว่ามุนรัดไว้จะมือเกิดมุมัดรัด น, นีหมันก็ไปลแล้ว <c oughs> ไปบอกเก่ออันนี้อันนั้นนนันพี่ก็น่าเร่องใจมุดนี้ก็เชื่อมุดอ่ารอดเชื่อขนน้อยเอเน่ยสมานนี่อัน น, น, น, น, น, น, น, น, นั้ น, นอเอ อ, อ, เ อ, นนอนเพี่ก็น้าทุ่มลมหายใจขอออกกัองไมจำงกเพื่นะว่าตาสงสารไจำงเป็นทุกร้ายอะยา้ยนะเจ้า นั่นแะยอดถ้ำพระพะายาวองใครเป็นเ้าโรกอเมริกาว่าจะเป็นรัสเซียว่าด้เป็นจีนก็ว่าด้เป็น น, ป น, นี่ประทุกับตายงัย่นหรอเป็นชาโรกโอกคือหมูสัตว์ธนาพญาสิขาไปไนตั้อย่างยืนโรกคือหมูสัต์ไม่นใีใครจะผ่านพ้นความตายไปได้จำจะได้ขึ้นซากไว้ในแผ่นดินโรกคือหมูสัตบกพร่องอยู่เป็นนิก ม่อื่นเป็นภาตุแห่งตันหาวหายหาเห็นเขาผููอะไรเห็นข้อสุขสุขของขื้นครับมีอาชีสุขเกิดแต่ความสัตวสุขเกิดแต่การทรัพยบริโภคสุขเกิดแต่เขามเป็นนีเป็นสินสุขเกิดแต่ทำงานเพื่อปราบปรามโทษถึงอย่างนั้นถือได้อำนาจอำนาจทางกิตเขียนได้แต่ความและแต่สารขั้อมสุขไม่เยอะแน่รอนพระทหันกลับไปไปสู้พรนิพานมื่อ นันบอมีม่พระทหารนักหารมศักดิสุพระทหาบ่ไหนันบอกเห็น <fees sala am> มันมาเจอมันม่เจอมันมาพ้นมาฝ่าเลยเ็นไมครับจึงน่าข่มน้องของจะของความทะเลหลงใส่ซกมมาถึงแก่จะตายอีกอนนั้นเน่ยสิตจน่ามตายมือลจักเพื่อสั่นมือละลอยเพื่อขน้อยก็สั่นมีอละลอยเพื่อนั่นเนี่ยสมาณเยอะเล้อบชอบล้มห้ใจเขาออกชอบล้มหาใจเขาออกต้อร อาจจะไจ่อจังบ่เพิ่หายใจให้ยังจ้างมันไวห้หายันยูนำ้ำไม่ทันมันสีตายจ้างหายใจไว้เออดันมันสีตายจ้างหายันยูวน้าพัยนยาจีบกรลาบยิงเข้าอ้อยแต่จ้างได้จ้างไว้ได้มือนึงก็ขึ้นหนึ่งฟางตอนมือโตจ้างไว้มือโตกินมือได้สามเท่ามือโตเอาเปรียวเข้อเอากินมือแล้วเสียแล้ว เมื่อตวเจ้ามันไหยมือแร่สาเพื่อเจ้าว่าให้มันตายกินเขาไว้เจ้าว่าให้มันเหน่ยเขากินมือแรเพื่อเข้าสันมือแรเพื่อกินเดียมสันเมื่อตัินเดียมละประทานเขาบอกขยากเหียกว่าหยาดลสันเขาบอกชาเราภาษาเดียวกัสวยสวกยาานภษามาครบบอกว่าคุณคันติาามาคร าพรเองแต่คนไทยันอาหารชั้นน้ดื่มน้ำช ok ันอาหารอโต้วาที่าว่ารับผ่านรัานทานยังย่ได้ว่ารับจำได้วันทานรสันทนอาหารสบยๆเนาะจะหาควสุอรหอกมันจะพาอว่าหลูกหลานเลยมันมาฟ่ะ ย e ูไปประังประังซ้าๆมาเนีออกจากทุดก no, so ุศลอะเสมมันก็เก no ิดเกิบกบกฝาอะไรอยางเงี้ยเออเกิดขาหิ้งอะไร้งยังหงอรอ่างียอะรั่งขี้ดิเชงบุนแจีงคเลยมีขีอพระจันร์พระหลันจะเซอลอร์ยังบุนแจ้งคำแค่เกิดมานี่มันเกิดทุกเช้วป็นาสงสามมันเรักันี่นั่นเนอหาหนเชียรืองี่ ยึดประจอนเขาน้ า, นาเชี่ยยุทธเจ้าเขาขับไปเพื่อแลเห็นตงนี้น้องมูโตไม่เป็นเนอกมันโน้มลงเขาน้าเชี่ยเพื่อไปเห็นตรงนี้้าเชี่ะมีดไปโดนเติบแล้็เอยตั ด, ตดสามารถยุดกับยุดธัดดดร ง, ง, ง, ง, ง, ง, งนี้น้อมูโตตึ้งตึ้งตึ้งอ่ะไม่กดลงน้าเชี่ลงปูกกระชิประจเขาเลยครับ้าเชี่ยเขาออกมันยังยงอเงินเนวย เพระจอนเศ้าหรืมหาเพื่อนในวันตาัสสงสารก็เพื่อนหลงท่านเพิ่อกับเหนียวกัเพื่อนแกเพื่อนเกเพื่อนตายหลบปวดหลงเพื่อนเอินกรรมมาทุกข์นะครับเขาเอิญกรรมาทุกข์มันจะไปทุกข์มันจะใส่หัวอย่าเนาะเขาเอิญกรมาทุกข์ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาทุกข์เรามีความเก็บเป็นธรรมดาทุกข์เรามีความตายเป็นธรรมดาทุกข์แล้วกวางเก็ธรรมดาไม่มีหลายธรรมดาดิ เราความมีเรานิยมพทกจากของของข้าใจเป็นธรรมดาทุกเราเมตกรรมเป็นของของตัวเราทำดีจะได้ดีเราทชั่วจะได้ชั่วทุกประจําสังขารคืออะไรคือิดแก่เช็ดตายได้เี้ยเข้าละหายน้ามิพัดที่ทุกขทุกเนื้อเนื้อทุกประจําสังขารคือทุกอะไรเกิดใ่เจ็ดตายทุกประจํสังขารมิพัดททุกขทุกเนื้อเนื้อทีอะไรนหี้ข้าลหายน้าปวกเอสระปัสสาวะ อบอันเย็นอันร้อนก็เป็นทุกข์เย็นจนตายก็เป็นทุกข์ร้มนจนตาก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่านี่พัดที่ทุกข์ทุกอย่างนี้ไม่ว่าธงมวลทุกคือทุกอะไรคือโตเสียงเสียงงอนกำลังกัวแท่กลัวชนะอันนี้ก็เป็นทุกข์โดยใจความก็คือสันผัสเป็นทุกข์ตั้งจากสัมผัสทุกษาสัมผัสนี้เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์ความจำทั้งฐารความปูนแกงแห่งเกี่ยก็เป็นทุกข์ วินญาณความรู้ทางกลางของสมองเริ่มคอยใก็เป็นทุกข์ทุกข์โหตินาเป็นทุกมีเทุกข์แล้วทุกข์ขปเะกาเป็นทุกข์เปทุกข์จำเป็นแล้วอัตเทวนาเวนัสเตวาราทุกข์กับกันษอนต่๊บปยะสังวัตุะพุทธเจ้าจักทำให้นทุกข์ก็จักทงเนกากดรทธเจาจีนได้ไม่เที่ยงฉะนั้เป็นทุกข์ื้อเป็นสุกล่อพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์เพราะเส้าา เมื่อเสียงั้นเป็นทุกข์แล้วจะมายืนยันว่าเราว่าเขาว่าสาระบุคคลมันจะถูกไหมล่ะมันไม่ถูกพระเจ้าข่าถ้ามันไม่เป็นไปเพื่ออาพาธถ้ามันอยู่ในอำนาจวาสนาของเราเราจะเรียกว่าเราดื้อๆเอามันก็ไม่ถูกพระเจ้าข่าถ้าว่าเป็นเรามันก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นของเที่ยงมันไม่เป็นเราเองมันจึงนมาเที่ยงมันจึ็เป็นทุกข์พระเจ้าขเออแล้วสาธุเตอร์ทั้งหลายสวกเธอทั้งหลายเข้าใจเฉย ไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่เราไม่เข้าใจแล้วเขา้าใจยู่ย้อนถามพวกเธอเพื่อให้พวกเธอเข้าใจชัดพระบรมศาลาผูรู้อดีตตามมาเกียงของอดีตผูรู้อนาคตตามมาเีงของอนาคตผู้รู้ปัจจุบันตามมาเียงของปัจจุบันแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่นทั้งสามเขาน้าข้ามทะเล ές, หลงไปแล้วพระพุทธเจ้าผูรู้ส ม, มุติตามมาเกียงของสมมติไ ม, ม, ม่ติดอยู่ในส ม, มุติด้วยด้วยส ม, มุติตามมาเกียงของสมมติจะติดอยู่ในสมมติด้วย รูตาตาเป็นจริงของตารูหูตาเป็นจริงของหูรูจมูกตาเป็นจริงของจมูกรูเล่นตาเป็นจริงของเล่นรูกายตาเป็นจริงของกายรูกายตาเป็นจริงของกจแต่ไม่จิบอยู่างนง้นใดๆด้วยเขานั่นข้ามทะเลหลงไปแล้วข้าพุทธเจ้าท่านในห้องไนท่าดเนี่ยนะครับวันดีวัน好สุราปิปุณณีชาสราณีเมวิโตจินังเปตตาณักสะปฏิปิิตังมาจิสังสมหาโอมิโติสเถิสเถปุรนติสังนะปจันโทนระโยตาม่โสเถระย